สีนั่นเองเฮ้ยแล้ววันนี้ไม่ได้ขับรถสองแถวแล้วก็รถมันเกเรนะ่ะเข่าอูไอด้ดามันบอกว่าต้องใช้เวลายอย่างน้นนอยนครึ่งวันก็เลยอดวันนี้ก็ไม่มีรายได้เขากลกระเป๋าเออแล้วบายได้รึเปล่า่อบเสร็จหรือเปล่าน่ะเหรออืมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะต้องแวะไปดูนะ่ะถ้าเสร็จตะกอเองก็ขับตอนเย็นได้นี่วาฮะช่วงนั้นคนนั่งกลับบ้านไม่ใช่น้อยเลยนะโว้ยก็ใช่ จะสู้ตอนเช้ายังใสายๆไม่ได้หรอกทั้งคนไปทํางานแล้วก็แม่บ้านไปซื้อกับข้าวกับปลาเอานะใช้งานมันทั้งวันไม่มีวันหยุดมันก็ต้องมีเสียบา้างล่ะวะจะให้มันดีตลอดได้งไงอะ่ะใช้งานก็ต้องมีการซ่อมแซมอย่า <c> ใ <oughs> จเครื่องจักรเลยคนแท้ๆยังต้องบํารุงมันเลยเว้ยจเจ้าห้าคนนั้นเราไปไหนเราวันเนี้ยให้ไปดํานาน่ะสิ ที่เกียรเหือหนังสือก็ต้องทำไร่ไถนาอย่างงี้แหละนะไอ้ก็ถึงว่าแล้วว่ะท่งให้ไปเรียนก็ไปหลับในโรงเรียนมันสอบตกทุกเทอมทำการบ้านก็ทำไม่ได้หลอกเพื่อนอยู่เรื่อยเลยไอ้แล้วอย่างงี้จะเสียเงินเสียทองไปเรียนทำไมฮะทั้งข่าเราเรียนข่ารถค่าราแล้วยังขากินอีกพวกสมองขี้เลยก็ต้องให้มันอยู่เหมือนเพื่อนวัวเพื่อนควายอย่างงี้แล้วว่ะแล้วจะยิ่งเหรออ้โอ้ยนู่นไปโรงเรียนแต่เช้าแล้วล่ะ อ้มีลูกเจ็ดคนมีไอ้ยิ่งนี่แหละมั่งที่ก็ยันเรียนเป็นเด็กดีเรียนได้ทีหนึ่งทุกเทอมเจ้า น, นะแหมไอ้ายภูมิใจไหมอะะโอ้ยภูมิใจสิข้าภูมิใจมา ก, มากๆเจ้เว้ยแล้วก็ยังมีไอ้เย็นอีกคนนึงอูย้ยเจ้าตัวเล็กนั่นแหล ะ, อ, ะอีกหลายปีกว่าจะได้ไปโรงเรียนกับเขาอะแต่เท่าที่ข้าสังเกตนะเห็นมันอยากตามพี่มันไปโรงเรียนเรื่อยเกินก็ทําไมไม่ให้ตามไปละไอ้อย ให้ไปได้ยังไงไปกวนพี่มันหรือไงอ่ะก็ให้ไปเดินเตะในโรงเรียนให้มันคุ้นเคยสถานที่ก่อนก็ได้นี่นะโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดล้อไปเกะกะคนอื่นท้อเปล่าเดี๋ยวไม่รู้เรื่องโดนลักพาตัวไปขายต่างจังหวัดมันจะไปกันยกใหญ่นะโอ้ยจะมีเลเด็กลักเด็กไปขายนะ่ะโอ้ไมีสิวะเอ็งไม่เคยได้ยินเรื่องไงเอ็งเป็นคนขับรถสองแถวน่าจะรู้ดีกว่าข้านะโวยอำเภอเรานะ่ะไม่มีเรื่องพันนี้นี่อาย มันก็ไม่แน่หรอกว่าฮะป้องกันไว้ก่อนดีกว่าปล่อยให้วัวหายแล้วล้อมคอกันที่หลังมันจะทันการอะไรกันอืมอืมเออแล้วกินอะไรมาหรื อ, อยังอ่๋อเรียบร้อยแล้วไอ้ยนั่งกินข้าวกับลุกอาจมานะลุงแกก็แข็งแรงดีนะลุยคนเดียวเห็นออกไปไรออกไปนาแต่เชา้าอะทุกวันละมาั่งไม่มีวันหยุดเลยเนี่ยแกถึงได้แข็งแรงนะ่ะอ้ก็นั่นน่ะสิแต่จากนี้ไปลุงแกคงจะเบาแรงไปเยอะแล้วละ อ้าวทำไมอ่ะมันขายกี่ขายทางให้ใครไปล้วทำไมอ้ถึงคิดว่าลุงแกจะขายไร่ขายนาล่ะก็เห็นมีคนมาติดต่อขอซื้อไร่นาของมันเยอะแยะมากมายเลยนี่วะไรนะ่นาติดถนนใหญ่ก็อย่างนั้นละอ้แกว่ายังไงแกก็ไม่ขายหรอกแล้วยิ่งอีหลามันกลับมาแล้วด้วยยิ่งไม่ขายกันใหญ่เลยอ้าวอีหลามันกลับมาอยู่เลยเหรอก็เห็นว่าอย่างนั้นนาะจะลงทุนซื้อเครื่องไถนาด้วยไอ้ คนสมัยนี้เออะก็จะซื้อเครื่องจักรกลมาใช้งานไม่รู้ว่ามันสิ้นเปลืองพลังงานมากน้อยแค่ไหนใช้เครื่องยนต์อย่า ง, งา น, นั้นน่ะก็ต้องใช้น้ํามันใช่ไหมล่ะเขาผลานน้ามันมันทีแล้วอาจจะทําให้อากาศบริสุทธิ์เนี่ยมันละเถอะเปื้อนไ ป, ป, ป, ปหมดนะเว้ยเฮ้ยมันจะทํำยังไงได้ล่ะไอ้สมัยนี้คนหันไปใช้เครื่องยนต์กันหมดแล้วนี่นะโอ้โนี่ข้าบอกตรงๆนะข้าคนนึงละ่ะไม่มีวันยอมเอาเครื่องยนต์มาใช้เด็ดขาด ยังอ้ายมันก็ทำได้สิเพราะมีลูกคอยช่วยงานสี่ห้าคนใช้งานได้แล้วทั้งนั้นเลยโู้จะไปเอาอะไรกับไอ้พวกนั้นมันเล่าขี่เกียร์สลังยาวจะตายชักใช้งานอะไรก็ไม่ค่อยจะได้เรียกแล้วเรียกอีกฮะมันต้องใช้กำลังถึงจะยอมทำสักทีแต่ถึงยังไงพวกมันก็ยังทำไม่ได้เกเอซะไม่ยอมทาอะไรสักหน่อ ย, อยมีลูกเยอะก็ใช้เยอะกินเยอะไว ทำได้ทลายก็ไม่เหลือเก็บหรอกเองมีเมียตั้งนานแล้วนี่นะฮะแล้วเมื่อไหร่เองจะยอมมีลูกด้วยกันสักทีละวะทําแล้วไม่ได้ฮะทําอะไรของเองวะเฮ้ยฟังแล้วมันแปลกๆว่ะก็ทํำยังว่าไงลุงเมียมันไม่ท้องสักทีจะให้ทำยังไงล่ะโอ้โหทำกับหมอนข้างแล้วเมียจะท้องได้ยังไงบ <โฮ S 2> <ะ>อสไอ้พูดไปโน่นเนี่ย <c oughs> เฮ้ยล้อเล่นเอ็นี่ <c oughs> เอ็งพาเมียเองไปหาหมอให้หมอเขาตรวจสักษีทีว่ะฮะรวมทั้งตัวเองด้วยนาะข้า ว, ว่ามันจะต้องมีสาเหตุซิเว้ยเอ็งก็ดูแข็งแรงดีนี่ว่ะเมียของเอ็งก็เหมือนกันน่ะแข็งแรงด้วยกันทั้งคู่แล้วทำไมถึงไม่ท้องสักทีว่ะไอคนที่มันอดอดอยากอยากหาชาวกินคานอนเมื่อไหร่มันท้องตุ๊บปนั่นละว่ะ<ม><า>ก็มันไม่เหมือนกันนะอยก็ทาให้เหมือนกันซิเว้โยโธไอย ทำได้เมียก็ท้องไปนานแล้วก็ <c oughs> ไปหาหมอซะสิข้าเป็นห่วงเองตอนเองแก่ตัวลงไปไม่มีลูกไม่มีหลานอะลําบากแย่เลยเองเอ้ยนะเวลาเจ็บไข้ใดป่วยลุกขึ้นก็ไม่ไหวคลานก็ไม่ได้ทีนี้ละเองเอ้ย <c oughs> ได้นอนทักดินทักงอตายแหง่แก่ละ เ, ออ เ, ออเดี๋ยวท่านจะหาเวลาไปหาหมอแหละต้องเร็วๆด้วยล่ ะ, ะรู้แล้วอาย จะรีบพาเมียไปเลยเออเออดีๆๆขอเอิงโชคดีก็แล้วกันบุ้ยออ่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 ครั้งเวลาที่ไม่มีใค ร, นน ไ, รได้นอนมองเลกอเดิมเธอเคยนอนันนั้นแฉันตั้งใจเก็บมันให้อยู่ ฉันไม่มีใครแต่ก็เหมือนมีเธอข้างกายกอดฉันเบาๆเหมือนเคยเพียงได้กลิ่นหอมจากมอนใบเดิมที่เราต่างเคยร่วมฝันแค่ได้คิดถึงกันก็สุขใจกลิ่นข้งความรักกลิ่นของความรัก จะจำให้ฝั เรื่อยไปตอนล้าในใจเท่าไรเพียงด้กลิ่นหอจับมอนใบเดิมที่เธอเคยนอนใกล้ฉันแค่ได้คิดถึงกันก็นกสุขใจกื่นขความรักตื่นขความรักไม่เคยจะจางหายไปถึงแม้ว่าวันเวลา มันจะนาจะท่าไรก็มีเธอไม่รักใครลืนความความรักลืมความความรักมันยังเตอยู่ในหัวใจหอมยิ่งกว่าน้ำหอมของใคร w h e r